สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมนักร่องคนชอบเล่าจะขอนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับพรานป่าจากท่านสมาชิกที่ส่งมาแชร์มาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับเจ้าของเรื่องนี้ก็คือคุณแมนสุพลดวงพุทธาเพื่อนสมาชิกจากฝั่งลาวครับคุณแมนได้แชร์เรื่องราวของลุงทองจากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่แกได้ไปพบเจอมาเมื่อราวสี่ปีก่อนเรามาลองฟังกันดูครับเมื่อย้อนเวลากลับไปประมาณ40ปี ซึ่งตอนนั้นผมเองยังไม่ได้เกิดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลุงทองจกักซึ่งผมจะขอเรียกว่าลุงทองแล้วกันครับสมัยนั้นตามธรรมดาหมู่บ้านของผมยังมีบ้านเรือนประชาชนไม่เยอะเท่าไหร่นับได้ก็ไม่ได้จะเกิน40หลังคาเรือนไฟฟ้าก็ยังไม่มีให้ใช้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะประกอบอาชีพทำนาทำป่า บ, บ้านๆส่วนแทบบางเรือนไม่มีที่นาก็จันไปทำไร่ข้าวไรว่สาลีและลุงทองนั้นแกก็เป็นคนที่ไม่มีที่นา ตัวกเองก็เลยต้องทําไร่ข้าวไร่สาลีถ้าพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไร่นาไร่ข้าวคืออะไรทางบ้านผมนั้นความหมายจะต่างกันไร่ข้าวก็คือการใช้เมล็ดข้าวปักลงดินโดยไม่ต้องมีน้ําข้าวก็จะไม่ตายส่วนคําว่าไร่นาทางบ้านผมจะเรียกว่านานาก็คือพื้นที่ที่ต้องมีน้ําและก็ต้องใช้คนดําเอาก็คือการดําข้าวและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการทํานาและไร่ข้าว ชาวบ้านที่จะทําไร่ข้าวนั้นมักจะออกไปทําในพื้นที่ที่ไกลทําแบบว่าไม่ต้องมีการล้อมรั้วให้ยากไปหาพื้นที่กกไกลๆที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมาคอยรบกวนสัตว์เลี้ยงที่ว่าก็คือวัวกับควายนั่นแหละและเมื่อไกลไม่มีวัวกับควายไปรบกวนพืชผลแล้วมันก็จังมีอีกอย่างหนึ่งที่จะคอยมารบกวนนั่นก็คือสัตว์ป่าและสัตว์ป่าที่นับว่ามีเยอะแถวบ้านผมก็คือหมูป่าไอ้เจ้าหมูป่านนี่แหละลุงแกว่ามันคือตัวปัญหาเลย มันมักจะเข้ามากัดกินและก็ทําลายพืชผลของชาวบ้านรวมทั้งของลุงทองด้วยอ้อลืมบอกไปอย่างครับตัวของลุงทองแกเองก็เป็นพรานอยู่แล้วฉะนั้นแกจึงได้ชอบเข้าป่าเป็นกิจวัตรประจําตัวลุงทองแกเล่า ว, ว่าในช่วงที่ใกล้จะถึงฤ ด, ดูเกี่ยวเก็บพืชผล น, นั้นมีวันหนึ่งเจ้าหมูป่ามันพากันแห่มาทําลายไร่ของแกทําให้ลุงทองนั้นต้องออกไปนอนเฝ้าไร่คนเดียวแต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่ลุงทองเท่านั้นที่เดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ชาวบ้านอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ต่างคนก็ต่างไปเฝ้าไร่ของตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้จะพวกหมูป่าเข้ามาทำลายอีกส่วนทางที่จะไปไร่นั้นก็ต้องเดินทางด้วยเท้าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลเมตรจากนั้นก็มาหลงที่น้ำขุ่ลุงบอกว่าหนทางที่จะไปได้นั้นมันมีอยู่2ทางแบบทางน้ำก็คือนั่งเรือไปปล่อยให้กระแสน้ำนั้นพัดไหลโค้งไปโค้งมาตามธรรมชาติของมันไม่นานก็ถึงจุดหมายเพียงแต่จะมีพื้นที่ของผาด่างนั้นกัเอาไว้ ส่วนทางบกก็คือจะต้องเดินทางลัดป่าที่เดินผ่านผาด้างแล้วก็ลัดผูไปแต่ชาวบ้านในสมัยนั้นมักจะนิยมเดินทางด้วยการพายเรือลุงแกบอกว่าไปทางเรือจะสบายกว่ามากเพราะว่าถ้าหากเดินก็ต้องได้เดินขึ้นผูขึ้นผาอีกแล้วอีกอย่างป่า น, นั้นก็น่ากลัวโดยปกติแล้วลุงทองจะไปนอนเฝ้าไร่ประมาณ4หวันก็จะกลับกลับมาพักที่บ้านสง3าวันแล้วก็ไปใหม่แล้ววันนี้ก็อย่างเคยเป็นกิจวัตร แกลุกแตเช้าเก็บข้าวเก็บของที่จําเป็นไปพร้อมกับปืนแก๊ปคู่ใจของแกหลวงทองก็ออกเดินเท้ามาจนถึงท่าน้ําแล้วก็พายเรือไปตามสายแม่น้ําโขงจนไปถึงที่พักจากนั้นเพื่อที่จะไปให้ถึงไร่ก็จําเป็นจะต้องเดินขึ้นภูอีกต้นไม้จะหนาแน่นมากทั้งสองฟากทางไม้เฮียลําใหญ่มากผลดงป่าไม้เฮียก็จะเป็นไร่ลุงเหลือต่อไปก็เป็นไร่แกกว่าจะถึงกระต๊อบเล็กๆได้เล่นสกินเวลาไปตั้งครึ่งวันหลังจากที่กินข้าวทิ้งเสร็จ แกก็ออกเดินตรวจตามไร่ของแกที่ไร่ข้าวนั้นก็มีรอยนกรอยหนูกินแต่ก็ไม่เสียหายอะไรมากพอเดินไปถึงไร่สาลีแกก็ตกใจมากที่เห็นผลปรากฏว่าพืชผลที่แกได้ทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายนั้นบัดนี้ถูกเจ้าหมูป่ามันเข้ามากัดกินแกโมโหมากจนแกต้องสำรวจออกไปว่าเดี๋ยวได้เห็นดีกันจากนั้นแกก็ทําแล้วไว้ดักหมูป่าสามหลังพอรุ่งเช้าก็ไปตรวจดูก็พบว่ามีหมูติดอยู่หนึ่งตัวแต่ตัวไม่ใหญ่มาก แกก็จัดการชำแหละเอาเนื้อมาย่างไฟที่กระต๊อมของแกลุงแกบอกว่าเสฟวิธีนี้ดักอยู่เหมือนเดิมก็จะได้บ้างและไม่ได้บ้างลุงแกว่าเหมือนว่าหมูป่ามันจะรู้ตามสัญชาติญาณของสัตว์เระยะเวลาช่วงนั้นไปตรวจดูก็ไม่ได้ติดต่อกันมา2วันแล้วแต่สาลีก็ถูกหมูเข้ามากินอย่างเคยลุงแกว่าได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันและแกก็เดินทางกลับมาบ้านพร้อมกับเนื้อหมูป่าย่างเมื่อพักได้สักสอสวันแกก็ทําอย่างเคยก็คือออกไปเฝ้าดักหมูที่ไร่ต่อ แต่พอแกเดินทางไปถึงไร่เท่านั้นแหละแกก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่าเจ้าผู้หมูป่ามันมาทําลายไร่สาลีของแกไปถึงครึ่งไร่แกมโหมากก็ออกเดินตรวจหาตามเคยหรือเมื่อแกเดินไปถึงท้ายไร่หูของแกก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นคือเสียงหมูร้องแกก็เลยค่อยๆย่องแอบตามเสียงหมูป่าไปสักพักก็เห็นพวกมันลงเล่นน้ําอยู่ในปลักตมซึ่งก็คือหนองน้ําเล็กๆนั่นเองมาเล่นน้ําอยู่กันประมาณ10ตัวลุงแกก็รู้สึกแปลกใจอยู่นิดนึง ว่าทำไมกลางป่าอย่างนี้มันถึงได้มีหนองน้ํำเล็กๆนี้ได้แต่ลุงแกก็ไม่ได้สนใจอะไรหรือเมื่อแกอยู่ได้ประมาณ 4- ีถึงหวันแกก็เดินทางกลับบ้านอย่างเคยพักได้สองสาวันแกก็จะกลับไปที่ไร่อีกคราวนี้แกตั้งใจจะเข้าไปนั่งห้างแต่ลุงแกบอกว่าการนั่งห้างของแกนั้นแกจะใช้เปลเลยก็คือการใช้เปลอูนนั่นแหละผูกบนต้นไม้สบายกว่าการต้องขัดห้างใหม่เพราะว่าไม่ต้องตัดต้นไม้ให้เสียเวลาอีกอย่างถ้าขัดห้างเดี๋ยวหมูป่ามันจะเห็นพี่รุษได้ ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีและก็ไม่มีไฟฉายด้วยต้องใช้ตะเกียงลุงแกบอกผมก็เลยสงสัยเลยถามแกว่าแล้วลุงจะใช้อะไรไว้ส่งสัตว์ละ่ะลุงแกก็บอกว่าใช้แสงเดือนนี่แหละแค่นี้ก็มองเห็นแล้วใกล้15บ่ําค่ำเดือนจะแจ้งเต็มดวงดีคือเดือนวันเพ็ญ น, น่นแหละเลื่อนไป1 2บสาไปช่วงวันไหนก็ได้ลุงแกบอกผมก็เลยเข้าใจก็เลยถามแกต่อไปอีกว่าแล้วผลมนันเป็นยังไงบ้างลุง ลุงแกก็บอกว่าคืนแรกเดินเข้าป่าไปตั้งแต่ดวงตะวันใกล้ๆจะรับขอบฟ้าพอไปถึงก็เลือกที่ผูกเปลต้องเลือกที่ถางให้มันพอเหมาะเจาะจากนั้นก็ลงมือผูกข้อสําคัญถ้าอยู่ขึ้งบนแล้วห้ามลงมาเป็นเด็ดขาดผมก็สงสัยอีกก็เลยถามแกไปว่าทําไมแกก็ตอบว่าคนโบราณพูดไว้อย่างนั้นผมเลยถามแกว่าแล้วถ้าปวดเยี่ยวขึ้นมาจะทํำยังไงลุงแกก็บอกว่าก่อนขึ้นก็ไปหากระบอกไม้ไผ่มากระบอกหนึ่งขึ้นไปด้วย ทีนี้ผมก็เข้าใจแล้วแต่ก็ถามแกต่อไปว่าแล้ได้ไหมล่ะหมูป่านะี่ยแกบอกว่าคืนนั้นได้มาตัวหนึ่งและเช้าวันต่อมาแกก็มีความรู้สึกว่าอยากจะยิงสัตว์เลอะเกินไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ยิงว่าแหละครับเป็นพรานทําไม่ให้ล่าสัตว์แล้วจะทําอะไรลุงแกว่าในใจว่าจะไปนั่งแบบเล่นๆดูเพราะว่าใจของแกนั้นรักการเข้าป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมก็ถามแกอีกลุงจะไปนั่งที่ไหนลุงแกก็บอกว่าที่เดิมนั่นแหละ อ้าวแล้วสัตว์มันจะมาอีกเหรอเสียงปืนดังข้าบ่าอย่างนั้นผมถามแกไปลุงแกก็บอกว่าเออนะใจมันอยากไปแค่อยากไปนั่งเล่นๆแล้วแกก็ทําทุกอย่างเหมือนอย่างเคยแต่คืนนี้แปลกแปลกเพราะมันเงียบไม่มีเสียงสัตว์อะไรเลยสักนิดเดียวเสียงร้องของแมลงกลางคืนตัวเดียวก็ไม่มีให้ได้ยินใจแกคิดว่าเมื่อคืนนี้แกยิงปืนเสียงดังสัตว์มันคงได้ยินแล้วก็คงกลัวคิดอยู่คนเดียวในบรรยากาศที่เงียบเชียบสักพักแกก็เผลอหลับไป มารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นอีกทีก็ต่อเมื่อแกได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงของฝีเท้าสัตว์ที่กระทบกับพื้นรู้สึกได้ว่ามันมีอยู่หลายตัวคิดได้อย่างนั้นลงุงแกก็จับปืนแก็บคู่ใจตั้งท่าจัดทางให้พร้อมที่จะลั่นไกยิงสอดสายสายตาออกไปมองตามเสียงนั้นคืนนี้เป็นคืนที่เดือนสว่างทําให้สายตาพอมองเห็นข้างล่างได้ไม่ยากและเมื่อเพ่งมองลงไปยังจุดที่เสียงนั้นดังภาพที่ปรากฏต่อสายตา ก, ก็คือพรานสีหคนอยู่ข้างล่าง รู้สึกได้ว่าไม่ชอบมาพากุ่นซะแล้วลุงแกเลยจะยิงปืนขึ้นสักนัดหนึ่งแต่ก็แะไม่มีเสียงระเบิดของกระสุนพยายามลองอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นผลสายตาของแกยังคงจับจ้องอยู่ที่พรานข้างล่างนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้แกต้องตกใจก็เกิดขึ้นเพราะพรานที่แกเห็นนั้นจู่ๆก็กลับกลายเป็นลิงข้างบรรยากาศรอบตัวดูอึดอัดไปหมดทั้งหนาวเย็นตามไข่หลังกับเหงื่อที่ออกตามมือเงียบแกต้องเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ พระดูไปดูมาไอ้ที่ว่าปลิงมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ลักษณะเหมือนมีขนยาวๆทั้งตัวและเมื่อแสงจันทร์ไปกระทบที่ดวงตาดวงตานั้นก็จะมีสีแดงตอนนี้ลุงได้ยินแม้กระทั่งลมหายใจของตนเองและเสียงของหัวใจที่เต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะสมองสับสนคิดอยู่อย่างเดียวว่าอะไรอยู่ข้างล่างและระหว่างที่สับสนอยู่นั้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเจ้าตัวที่คล้ายลิงที่สูงที่สุดตัวหนึง่งจู่ๆมันก็หันหน้าขึ้นมามองดวงตาสีแดงของมันน่ากลัวเหมือนจะสะกดให้หยุดหายใจ กลัวก็กลัวแต่ต้องรีบตั้งสติให้มั่นเมื่อตั้งสติได้ก็คิดได้ว่านั่นไม่ใช่ลิงธรรมดาแน่ก็ยิงว่าแหละเมื่อเป็นพรานจะยิงปืนเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะต้องมีของดีที่ติดตัวมากันบ้างจากนั้นแกก็กล่าวพระคถาตามที่ปู่เคยสอนมาเมื่อท่องจบแกก็รีบเหนี่ยวไกปืนทันทีปังคราวนี้เสียงปืนดังสนัน่นแล้วสิ้นเสียงปืนนัดนั้นก็เห็นเจ้าตัวหนึ่งล้มลงกับพื้นที่เหลือก็วิ่งหายไปลวงรู้สึกใจโล่งขึ้นนิดหนึ่งแต่เพียงแค่พักเดียวเท่านั้น ลุงก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเกิดขึ้นเสียงนั้นกำลังดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาลุงเลยใช้สายตาเพ่งดูไปตามเสียงที่ดังเข้ามาสิ่งที่ปรากฏก็คือหญิงสาวหน้าตาดีมากๆแม้ในแสงสลัวกำลังเดินเข้ามาเมื่อหลอดเดินมาถึงข้างล่างหลอดก็กวักมือเรียกลุงให้ลงไปลุงรู้ทันทีโดยไม่ต้องคิดว่าอะไรเป็นอะไรแกรีบว่าลายกระบอกปืนไปตรงนั้นแล้วก็เหนี่ยวไกทันทีปังสิ้นเสียงปืนก็มีเสียงกระดิ่ร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมา ล้ทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปในบาดดลตอนนี้แกไม่มีความรู้สึกว่าอยากนอนแล้วแล้วก็ไม่ง่วงแล้วสายตาหันมองไปรอบกายด้วยความระแวดระวังภัยมันอะไรกันนี่เรากำลังเจอกับอะไรรอบๆกายก็มีแต่ป่าซึ่งเงียบมากวังเวงมากและยังไม่ทันที่ใจจะสงบลงได้ดีสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินมากำลังเดินเข้ามาเรื่อยๆเอาวะมันจะเป็นอะไรอีกคราวนี้คิดได้ถึงนั้นแกก็เพ่งสายตาดูตามเสียงที่เดินเข้ามา แล้วเจ้าของเสียงเดินก็ปรากฏขึ้นนั่นก็คือเหลือหรือลุงเหลือนั่นเองเจ้าของไร่ที่ติดกับไร่ของแกเมื่อเดินเข้ามาถึงก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ถามว่าท้องท้องแกยิงอะไรวะตั้งสองทีลุงทองก็ชี้มือให้ลุงเหลือดูข้างล่างซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วลุงเหลือก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยลงมาเถอะไม่รู้ว่าใครไปค้นข้าวของในกระต๊อบของมึงลุงทองจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแกนั้นรู้สึกได้ถึงสิ่งแปลกที่เกิดขึ้น เพราะว่าคนที่ชื่อเหลือนั้นเวลาพูดไม่ศบตากับแกลักษณะไม่เหมือนไอเหลือที่แกรู้จักอีกอย่างด้วยเหตุผลเพียงแค่นี้ไอเหลือนื้หรือจะอุตสาฝ่าดงป่าเข้ามาบอกแล้วก็ยังอุตส่า์ยังชวนไปนอนที่กระต๊อบของมันอีกมีหน้ามาบอกว่ากลัวไม่กล้านอนคนเดียวแต่แกไม่หลงกล ง, ง่ายๆหรอกแกก็บอกว่าไม่ไปกูไม่ลงหรอกพรุ่งนี้กูถึงจะลงแล้วกูก็จะไปดูเองทีนี้เจ้าคนชื่อเหลือก็พูดว่างั้นกูจะขึ้นไปเองลุงแกก็ตอบว่ามึงจะขึ้นมา คนชื่อเหลือก็บอกว่าก็กุกลัวลุงทองเลยถามว่าตั้งนานมึงไม่กลัวทําไมวันนี้เพิ่งมากลัววะแล้วทําไมไม่ไปชวนในคนที่อยู่ไร่ข้างๆมานอนทําไมเข้าป่ามาหากูคราวนี้แต่ลุงที่ชื่อเหลือเงียบแต่ระหว่างนั้นลุงทองก็คิดสงสารขึ้นมาว่าและถ้าเป็นไอ้เหลือจริงๆก็กลัวว่าจะมีสัตว์ที่หน้าตาเหมือนลิงเมื่อตะกี้มาทําร้ายถ้าหากว่า ย, ยังคงอยู่ข้างล่างก็เลยตะโกนบอกไปเฮ้ยมือรีบกลับไปเถอะเมื่อกี้กูยิงสัตว์อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันเป็นตัวอะไร ลุงเหลือก็บอกว่ากูไม่เห็นมีสัตว์อะไรเลยไหนสัตว์ไห น, ยไหนอยู่ตรงไหนลุงทองรู้สึกอึดอัดมากกับการสนทนากันไปกันมาอย่างนี้แต่ก็เลยบอกว่าอ่ะมึงอยากอยู่มึงก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละสักพักหนึ่งลุงเหลือก็เดินกลับไปทางเดิมลุงทองเห็นก็รู้สึกใจชื้นขึ้ น, นมาทันทีแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นเสียงของเมียแกเองกำลังเดินมาโดยมีลุงเหลือเดินตามมาข้างหลังลงมาเถิพี่ไม่รู้ใครทําลายกระต๊อบของเราพังหมดแล้วเนี่ย เสียงเมียแกตะโกนบอกขึ้นมาแกเห็นอย่างนั้นแกก็รู้หรือว่าไม่ใช่เมียแกแน่เพราะอยู่กันมาจนมีลูกถึง3คนยังไงซะเมียแกก็ไม่กล้าเดินมาตามในป่ารอกอย่าให้ถึงป่าเลยแค่พายเรือมาก็ไม่กล้าแล้วลุงกัเลยตะโกนกลับไปว่ายังไงกูก็ไม่ลงถ้ามึงยังไม่ไปกันกูจะยิงนะคราวนี้ร่างทั้งสองที่อยู่ข้างล่างสะดุง้งและเมื่อลุงเหลือเหลือมาสบตา ก, กับลุงทองลุงทองจึงมั่นใจก็ลั่นายปืนขึ้นทันทีปัง คาวนี้ลุงเหลือนอนชักดิ้นชักงออยู่บนพืนส่วนเมของนุงทองนั้นตอนนี้ก็กลับกลายเป็นลิงแก่ขนยาวทั้งตัวตาแดงเส้นขนก็มีสีแดงเวลาแสงเดินเข้ามากระทบด้วยความเคยชินลุงก็รีบอัดกระสุนปืนเข้าไปใหม่แบบรวดเร็วมากและเมื่อแลเห็นว่าลิงตัวนั้นกําลังจะปีนขึ้นมาใจสั่งอย่างเดียวว่าจะให้มันปีนขึ้นมาไม่ได้ลุงทองก็รีบเล็งปืนใส่ร่างนั้นทันทีพร้อมกับกั้นใจยิง ป, ง, งปังเสียงปืนนัดนั้นมันดังจนเจ็บหูแล้วเจ้าลิงผีตัวนั้นก็หงายหลังตกลงไปบนผืน ลุงทองไม่รอช้ารีบอัดดินปืนเข้าไปใหม่พระแก่จำได้ว่าเห็นมาห้าตัวแต่เพิ่งตายไปสี่ตัวอีกตัวหนึ่งมันจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อทุกอย่างสงบลงลุงทองแกก็นอนกอดปืนอยู่ด้านบนอย่างนั้นแต่ไม่หลับเพราะว่าบรรยากาศของป่าเวลานั้นมันยังคงเงียบผิดปกติสักพักหนึ่งสิ่งที่แกรอคอยก็ปรากฏขึ้นคราวนี้มันมาเป็นตัวเป็นเป็นเดินมาให้เห็นจังๆลักษณะนหน้ากลีดหน้ากลัวขนนั้นยาวมากแทบลากพื้นดิน แสงของเดือนก็พอจะทําให้เห็นหน้าตาหน้ากรีดได้กับดวงตาที่แดงก่ําไม่ต้องรออะไรลุงทองเล็งแล้วก็ยิงแชะแชะคราวนี้ปืนกลับไม่ดังรู้ได้ในทันทีว่าตัวนี้มันไม่ธรรมดาแกจึงรีบลุ้งกระสุนตะกัวเงินแล้ใส่ปืนแล้วก็ลั่นไกทันทีแชะอะไรกันนี่เจ้าตัวนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วลุงทองคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันคงมีอาคมที่เหนือกว่าจึงได้ตัดสินใจเอาปืนมาราดลงใต้วางขาจากนั้นก็ตั้งใจเล็งแล้วก็ลั่นไก คราวนี้ไม่เหลือแล้วลุงก็หัวเราะชอบใจระหว่างที่เล่าให้ฟังสงสัยว่าแกจะสะใจมากผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วแกก็บอกว่าสุดละจากนั้นผมก็ถามแกว่าแล้วทาไมกระสุนปืนมันถึงยิงไม่ออกแกก็บอกว่าเพราะอาคมมันเชื่อมอยู่แล้วพอรุ่งเช้าลุงลงมาเห็นอะไรบ้างผมถามแกอีกเห็นแต่เส้นผมยาวเป็นกระจุก4ีห้าจุดแล้วก็รีบเดินทางกลับเลยไม่รู้จะอยู่ทําไมแล้วแกก็ยังบอกอีกว่านั่นแหละผียาวาย ผมก็เลยถึงบางอ้อเลยพอลุงพูดจบผมก็ถามแกต่อว่าแล้วทาไมมันถึงปีนขึ้นไปหาลุงไม่ได้ลุงแกก็บอกให้ฟังว่าเวลาที่เราเข้าป่าอย่าลืมเอาดินติดตัวไปด้วยจะอยู่เป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เองจําไว้นะแม่พระธรณีจะปกปักรักษาเราไว้ผมก็ถามแกต่อว่าแล้วลุงเคยเจอผีอะไรอีกบ้างแกก็บอกว่าถ้าเข้าป่าลุงก็เคยได้ยินคนรุ่นเ ก, ก่าๆพูดกันถึงผีบางบทแต่ลุงเองก็ยังไม่เคยเห็นหรอกได้ยินแต่เขาพูดกันมาปากต่อปากแล้วแกก็ยังทิ้งท้ายให้อีกว่า เวลาที่ขึ้นเขาเดินป่าอยไปเดินข้ามเครือเขาหลงละ่ะไม่อย่างนั้นจะหลงทั้งชาติผมก็ถามแกว่ามันเป็นยังไงแหละเครือเขาหลงน่ะแกก็บอกว่าถึงอธิบายไปก็ยังไม่เข้าใจหรอกจากนั้นผมก็ลาแกกลับบ้านปัจจุบันนี้ลุงแกได้ย้ายบ้านไปอยู่กับลูกเขยอ๋อส่วนเรื่องเครือเขาหลงนั้นที่ผมได้ไปรู้มาถ้าหาว่าเราข้ามไปแล้วเราเกิดหลงวิธีแก้ก็คือให้เรามองหาเครือมันให้เจอแล้วก็ตัดซะก็เป็นอันว่าเราจะไม่หลงกันแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวของลุงทองจักรหรือลุงทองของผมแมนสุพลดวงพุทธาก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขจากการรับฟังนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าลุงผมเล่าอะไรให้ฟังอีกผมจะนำมาแชร์ต่อครับครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่ามีคำใดที่ออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ